บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระผุ้มีพระภาคเจ้าซึ่งเมื่อบุคคลได้น้อมรำลึกถึงแล้วก็ให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจเมื่อน้อมไปพินิษพิจารณา ก็จะเพิ่มพูนศรัทธาภาษาทะในพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สูงยิ่งขึ้นและถ้าหากว่าน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะได้สัมผัสคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทาให้การถึงพระองค์เป็นสรณะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นข้อที่สท่านใช้คำว่าวิชาจรณะสัมปันโนแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะในชั้นของการบริกรรมภาวนาท่านก็แนะให้ว่าอิติปิโสภควาวิชาจณะสัมปันโนบริกรรมอย่างนี้เรื่อยไปหรือแม้จะตัดคำว่าอิติปิโสภควาออกไปว่าแต่วิชาจาณะสัมปันโนก็ได้โดยให้สติระลึกอยู่ที่พระพุทธคุณบทนี้ ต่การที่จะเสริมสร้างศรัทธาภาษาทะจนได้หลักในการปฏิบัตินั้นจำต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจความหมายของพระพุทธคุณแต่ระบทโดยถ่องแท้ใครสามารถรู้มากเข้าใจมากก็จะเห็นพระคุณของพระผู้มีพระพากเจ้ากว้างไกลออกไปมากเท่านั้นและศรัทธาภาษาทะก็จะเกิดขึ้นเตรียมล้น ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นวิชาจะนะสัมปันโนซึ่งแปลว่าทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนั้นจะเห็นว่าเป็นพระพุทธคุณที่สืบเนื่องมาจากสองข้อแรกคื อ, อระหังและสมาสัมพุทโธคำว่าวิชาคือความรู้ที่เกิดผุดขึ้น จากความเพียรพยายามอย่างที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับที่กล่าวแล้วและเมื่อสัมมาญาณะคือความรู้ในทางที่ชอบบังเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าวิชาญาณปัญญาแสงสว่างจักสุได้เกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ทำหน้าที่กระจัดความไม่รู้ในเรื่องนั้นๆออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือความไม่รู้ในอริยสัจสี่ดังที่กล่าวแล้วในบทก่อนวิชาคือความรู้ในที่นี้จึงเป็นการเกิดขึ้นของญาณปัญญาที่กล่าวแล้วทําหน้าที่ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ในจุดนั้ น, น, นให้หมดไปความรู้ก็ปรากฏขึ้นแก่พระทัยของพระพุทธองค์ เป็นความรู้ที่ถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปท่านจำแนกอธิบายออกไว้เป็นสองชุดด้วยกันชุดแรกคือวิชาแปดประการได้แก่ความรู้ในอริยสัจสีแต่และข้อรวมเป็นสี่ข้อความรู้ในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและปฏิจจสมุทบาท ซึ่งเป็นเรื่องของพระยานที่กล่าวแล้วในวันก่อนแต่ความรู้อีกหมวดหนึ่งนั้นเป็นความรู้ส่วนผลที่เกิดขึ้นดำรงอยู่ภายในประทายของพระองค์ตลอดไปวิธีเรียงนั้นท่านเรียงลําดับไม่เหมือนกันแต่ในที่นี้จะจะเรียงจากเรื่องง่ายไปหาเรื่องที่ยากตามหลักที่ท่านเรียงไว้ใน ธ ร, รมวิภาคปริเจตที่สองคือข้อที่หนึ่งเรียกว่าวิปัสนาญาณแปลว่าความรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งหมายถึงว่าเป็นความรู้ความเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแห่งประจรยลักษ์สิ่งเหล่านั้นโดยสภาวะที่แท้จริงเป็นอย่างไร พระพุทมีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นตั้งในขั้นของสมมติสัจจะคือการสมมติกําหนดหมายกันและประมัตารย์สัจจะคือความรู้ความเห็นอย่างแท้จริงแต่ตัววิปัสสนาปัญญานั้นเป็นความรู้ความเห็นอย่างแท้จริงในสังขารและธรรมทั้งหลายว่าเป็นไปตามอํานาจของพระไตรลักษณ์ ซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากความรู้ของสามั ญ, ญชนถตาหากจะกล่าวโดยอุปมาแล้วก็จะพบว่าอย่างบุคคลนำชอกมาขีดที่กระดานขึ้นเส้นหนึ่งในสายตาของบุคคลสามัญธรรมดาก็จะมีความรู้สึกว่ามีเส้นขีดด้วยชอกอยู่เส้นหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรากล้องมาส่องดู ที่เส้นเหล่านั้นจะพบว่าไม่มีเส้นเลยเป็นแต่เป็นการเรียงตัวอย่างแน่นหนาของช็อกแต่ละส่วนเท่านั้นเองการเห็นในระยะหลังด้วยกล้องจุลทรรศน์นั้นเหมือนวิปัสนาปัญญาหรือวิปัสนาญาณที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าคือชาวโลกทั่วไปมองสิ่งทั้งหลายตามที่ตนเห็น แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นตามที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรซึ่งใช้คำว่ายถาภูตยานคือเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นความรู้ความเห็นของพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นวิชาที่เกิดผุดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการประปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของการเรียนเรียนรู้หรือเรื่องของการปินิพจณาเพียงอย่างเดียว ประการต่อไปเรียกว่ามโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ในทางใจท่านแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่หนึ่งแล้วสามารถจะไปปรากฏพระองค์ในที่หนึ่งได้ไม่ว่าหนทางนั้นจะไกลกันดารอย่างไรก็ตามแต่ว่าพระองค์เองนั้นประทับอยู่ที่เดิมนั่นเองแต่เป็นการถอดใจออกไป ผู้สำนวนธรรมดาว่าถอดกายทิพย์ออกไปในเรื่องนี้ปรากฏในภิกษุณีในเทรีคาถาเป็นอันมากเมื่อพระเทรีเหล่านั้นบำเพ็ญเพียรอยู่เกิดปัญหาทำความเข้าใจไม่ได้ครบเจาะเรื่องเหล่านั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระยานจะเสด็จไปปรากฏอยู่ที่เฉพาะหน้าของภิกษุณีรูปนั้น แล้วแสดงธรรมะแก้ข้อข้องใจฟอกอัตยาใยเสร็จแล้วก็อันตรธานไปเพราะภาพเหล่านั้นไม่ใช่ภาพจริงแต่เป็นภาพที่สำเร็จขึ้นมาด้วยใจโดยทรงให้อาธิบายไปว่าเหมือนบุคคลถอดไญ้ยาปร้องออกจากตัวของ้าปร้องรูปร่างสะส่วนก็เหมือนกับตัวของ้าปร้องแต่ว่าปร้องของ้าปร้องที่แท้จริงนั้น ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งไอ้ทรายของญาปร้องก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งเป็นความสาเร็จทางใจของพระองค์ซึ่งความสาเร็จในลักษณะนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการบาเพ็ญในด้านสมาธิโดยเฉพาะแน่นอนใครก็ตามเมื่อปฏิบัติไปได้ก็สามารถสัมผัสผ ล, ผลเหล่านี้ได้และเป็นได้ทั้งส่วนที่เป็นโลกิยะคือคนทั่วไปก็ทำได้ และส่วนที่เป็นโลกุตระคือเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระริยเจ้าทั้งหลายวิชาข้อที่สามเรียกว่าอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ได้ท่านแสดงว่าเป็นคําว่าฤทธิ์นั้นแปลว่าความสําเร็จเท่านั้นเองเป็นความสําเร็จที่พิเศษออกไปเป็นคุณสมบัติโดยเฉพาะของบุคคลที่ฝึกมาในเรื่องนั้นๆ คล้ายๆกับการห้อยโหนโยนตัวการขีโมโโ่มอเตอร์ไซค์ตายถังหรือการเล่นยิมนาสติกของนักกีฬาเหล่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่ว่าใครก็ตามถ้าฝึกปรือตามกรรมวิธีขั้นตอนของเขาเหล่านั้นก็ทำได้ขอให้มีความตั้งใจจริงมีความเพียรพยายามเท่านั้นพวกการแสดงกายกรรมต่างๆนั้นเป็นกายกรีธาคือแสดงความสามารถทางกาย แต่ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นกฤิเป็นจิตกรีธาคือการฝึกปลือในด้านจิตใจมาโดยเฉพาะพึ่งแน่นอนด้าเกินขีดความสามารถพลานุภาพจึงจะแตกต่างกันเพราะจิตมีอนุภาพมีกำลังมากกว่ากายการแสดงฤทธิ์ได้นั้นเหมือถึงการทำอะไรที่ผิดพิสัยของสาบันยมนุษย์เช่นว่าไปในอากาศเดินไปบนน้า หรือว่าดำไปในดินฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าไปศึกษาถึงขั้นตอนในหลักการประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงแล้วเป็นผลโดยตรงของกสินคล้ายๆกับพวกที่ฝึกปลือมาด้วยการลนไฟเดิน บ, นบนบนฐานเพลิงอย่างที่พวกเเห็นกันซึ่งจะเห็นได้ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนเดินได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครเดินไม่ได้ ถ้าหากว่ามีการฝึกปลือในด้านพลังจิตมาโดยเฉพาะในด้านคสินก็สามารถที่จะเดินไปได้ภาพเหล่านี้ก็ปรากฏกันในที่ทั่ทวไปในระดับที่ลดหลั่นลงมาความสำเร็จในทางฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเฉพาะในส่วนนี้พืงเห็นตัวอย่างเช่นตอนเสด็จไปทรมานโจรองค์คลิมานพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดาเนินไปธรรมดาแต่องคลิมานวิ่ง ทั้งๆ ท, ที่เคยวิ่งจับใครฆ่าใครมามากมายแต่วิ่งไล่พระพุทธเจ้าไม่ทัน ท, ท, ทั้งๆที่พระพุทธองค์เดินไปนี่คือเรื่องของอิทธิวิธิเป็นความสำเร็จในด้านฤทธิ์ของพระองค์ประการที่สองเรียกว่าประการที่สที่สี่เรียกว่าทิพสูตรคือสามารถที่จะฟังเสียงในที่ไกลๆได้ การที่จะฟังเสียงในที่ไกลนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกับวิทยุซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่างถูกต้องสมบูรณ์เมื่อต้องการจะฟังคนก็ต้องเปิดต้องหมุนให้ตรงกับคลื่นของวิทยุที่ตนต้องการรับทราบแล้วก็จะรู้เรื่องเหล่านั้นที่ประโซดคือหูทิพย์ของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ยินอยู่ตลอดไปแต่เมื่อมีพระประสงค์จะฟังก็จะฟังเรื่องเหล่านั้นได้โดยปกติมักจะใช้ที่ประโซดไปฟังเรื่องที่พระท่านคุยกันเวลาพระคุยกันเป็นมธรรมโธรรมก็ปล่อยไปพอชักจะออกนอกเรื่องหรือมีปัญหาขึ้นมาก็จะเสด็จไปในที่ประชุมเหล่านั้น เพื่อดึงท่านเหล่านั้นเข้าหาหลักเกณฑ์ที่ถูกที่ต้องที่เหมาะที่ควรการสดับเสียงทิพย์หรือเสียงที่ละเอียดประณีตนั้นก็เป็นเรื่องของทิปสูตรดังที่กล่าวเหมือนกันข้อที่ห้าเรียกว่าเจโตปริญานคือรู้จักทายใจเดาใจเข้าใจคนได้ดังนั้นจะพบว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงไปตามพื้นอัธยาศัยของคน เพราะอาศัยวิชาข้อนี้ใครคิดอย่างไรพื้นจิตอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรในขณะนั้นจะแสดงธรรมะให้คล้อยตามอัธยาศัยของบุคคลนั้นในพระไตรปิฎกสังยุตติกายท่านได้เล่าถึงพราหมณ์คนหนึ่งที่มีมานะจัดมากก็มีความรู้สึกว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก็คิดภายในใจว่า จะไม่คุยกับพระพุทธเจ้าจะไม่กราบทูลถามจะไม่แสดงสามีจิกรรมอะไรทั้งหมดแต่ไปนั่งเฉยๆพรามนี้มานะจัดขนาดพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ไหวไปถึงก็นั่งคิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับสั่งอะไรแกก็คิดว่าพระสมณะโคโดมเขาบอกกันว่ารู้อย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่จริงหรอกไม่ได้รู้อะไรแกก็คิดภายในใจ ไม่ให้ความสำคัญแก่แกอะไรต่างๆพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพรามเรื่องที่เธอกำลังคิดเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะคนที่คิดด้วยมานะทำให้จิตใจ ร, ร่าวรอนมีความกระด้างย่อจริงพรามตกใจขนาดคิดก็รู้เรื่องก็กราบลงแทบพระบาทซึ่งถือว่าเป็นความแปลกมระหลาดสิจัสมับชาวบ้านแถบนั้นเพราะพรามไม่เคยไหว้ใครเลยนี่คือเรื่องของ เจโตปริยัตแต่ว่าชั้นปาฏิหาริย์ท่านเรียกว่าอาเทสนาปาฏิหาริย์คือทายใจดักใจรู้ใจคนได้เวลาแสดงธรรมะก็ดูที่ใจเขาในขณะนั้นว่าเหมาะว่าควรที่จะรู้ที่จะฟังธรรมะอะไรก็ทรงแสดงไปอย่างในกรณีที่เสด็จไปทรมานท่านปุราณชิ ด, ดินคือพวกชิ ด, ดินพันรูปตอนสัตวรู้ไปใหม่ ที่ทำให้พวกชชดินเหล่านั้นยอมนับถือพระองค์และบวชในพุทธสํานักได้ก็อาศัยปฏิหารข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายคือท่านอุราอุรุเวลากัสสะท่านมาคิดว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญซึ่งชาวอังคะกับมกตจะมาประชุมในสํานักของท่านแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าซึ่งท่านเรียกว่าพระมหาสมนะ ท่านบอกว่าถ้าหากว่าพระมหาสมณะยังอยู่ในที่นี้คนก็มาเห็นข้าวก็จะต้องไปนับถือพระมหาสมณะแมะเราจะเสื่อมจากลาบสการะทำอย่างไรจึงจะให้ท่านออกไปแต่จะไล่ตรงๆท่านก็ไม่มีความผิดอะไรเป็นเรื่องความคิดในตอนกลางคืนของอุรุเวลากัรสะพพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านแล้วเสด็จออกไปจากที่นั้นตั้งแต่ใกล้รุง่ง ตลอดทั้งวันรู้เวลากัศปะและบริวารไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพอตกเมื่อคนกลับหมดแล้วก็เสด็จกลับมารู้เวลากัตาปะก็เข้าไปทำทีไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ชี้อะไรกราบทูลถามว่าพระมหาสมณะเสด็จไปไหนวันนี้คนมาประชุมกันมากข้าพเจ้าต้องการจะรัฐนาไปเสวยพระตาหารก็ไม่พบพระพุทธเจ้ารับสั่งประโยคเดียว ว่าเราไปอย่างที่ท่านต้องการจะให้ไปรู้เวลากัสปะตกใจมากเพราะขนาดว่าท่านคิดด้วยตัวเองในขณะที่นอนแต่พระพุทธเจ้ายังรู้ได้กราบลงแทบประบาทประกาศแกลูกศิษย์ว่าฉันจะบวชในสำนักของพ ร, พระมหาสมณะแล้วพวกเธอจะไปไหนก็ไปกันตามสบายพวกลูกศิษย์ก็บอกว่าพวกผมนั้นคิดมานานแล้วจะบวชแต่ก็เกรงใจอาจารย์อยู่ก็ตกลงมาทั้งห้าร้อยก็บวช ในพุทธสํานักหมดต่อมาน้องอีกสองคนกับปริวารก็ข้ามาบว น, นี่คือเรื่องเจโตปริยานเป็นการเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของบุคคลแต่ละคนทำให้การแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งสำเร็จผลอย่างพิเศษก็พระทรงรู้ละเอียดในเรื่องภูมิหลังอัตยาสายบา ร, รมีของบุคคลนั้นประยานข้อต่อไปก็คือปุเพนิวาสานุสติยาน ได้แก่การที่ทรงระลึกชาติก่อนๆของพระองค์และของคนอื่นได้โดยท่องแท้และเอียดซึ่งนำมาประกอบในการแสดงประธรรมเทศนาเป็นนิทานบุคคลถึงห้าสเจ็ดเรื่องด้วยกันที่มักจะเรียกกันว่าพระเจ้าห้าร้อยชาติข้อต่อไปนั้นเรียกอยู่สองอย่างซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้เรียกว่าจุตูปปาติยาน คือรู้การจุติการอุบัติบังเกิดของคนและสัตว์ทางหลายที่แตกต่างกันโดยฐานะโดยรูปร่างโดยสติปัญญาโดยพื้นฐานทางบารมีวพ ร, ราะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ทรงรู้ว่าเป็นเรื่องกรรมที่จําแนกแบ่งแยกให้คนเหล่านั้นแตกต่างกันโดยกําเนิดแตกต่างกันโดยรูปร่างแตกต่างกันโดยผิวพรรณแตกต่างกันทุกอย่าง จนไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเหมือนกันด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของเหตุแล้วไม่มีใครประกอบเหตุได้เท่ากันจะต้องมีส่วนย่อยเปรียบย่อยที่แตกต่างกันอยู่บ้างคร น, นีเพิงเห็นตัวอย่างแม้ในการฟังธรรมะหรืออ่านธรรมะในเรื่องเดียวกันความเข้าใจความทราบซึ้งการได้ผลในเชิงประพฤติปฏิบัตินั้นจะไม่เหมือนกันตลอดไป ถึงแม้จะเหมือนกันในส่วนใหญ่แต่จะแตกต่างกันในส่วนย่อยเพราะความที่เหตุคือกรรมซึ่งบุคคลได้กระทำไว้แตกต่างกันนั่นเองทำให้กรรมได้ตกแต่งรูปร่างเป็นต้นของคนให้ไม่เหมือนกันแม้แต่จะฝาแฝดก็ไม่เหมือนกันชื่อหนึ่งเรียกว่าทิพปยปจกักษุคือตาทิพยซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับโดยอุปมาก็เหมือนกับเครื่องโทรทัศน์ ที่ภาพนั้นปรากฏอยู่ทั่วไปแต่ถ้าไม่เปิดเครื่องก็ไม่เห็นถ้าเปิดเครื่องหมุนให้ตรงช่องก็จะเห็นภาพเหล่านั้นที่ไปจากสุคือตาทิพย์มีลักษณะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อต้องการจะดูจะเห็นจะตรวจดูสตัตวโลกทั้งหลายว่าจะไปตรวจไปโปรดใครที่ไหนเป็นต้นก็จะใช้จากสุสวดนี้สวดดูสตัตวโลกซึ่งท่านอธิบายว่ามีความบริสุทธิ์หมดจด ร่วงวิสัยจากสุขมนุษย์คือเกินจากสุขมนุษย์ที่จะมองเห็นได้ซึ่งเรื่องนี้ว่าที่จริงถ้ามองกันในแง่ของเหตุผ ล, ลก็เป็นเหตุผลปกติธรรมดาเพราะ ส, สมรรถนะอของดวงตาคนแต่ละคนในโลกนี้ไม่เหมือนกันและแม้แต่ของสัตว์บางจำพวกก็มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าคนเช่นการมองไกลคนก็มองสู้อีแรงก็ไม่ได้อีแรงก็มองได้ไกลกว่าเป็นต้น แต่พระพุทธเจ้านั้นมีพระทิพาสุที่ล่วงวิสัยสามัญมนุษย์คือต้องการจะเห็นอะไรก็เห็นได้ตลอดไปข้อนี้เพิ่งเห็นว่าพระญาณแต่ละข้อของพระพุทธเจ้าที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทำไมจึงต้องมีเฉพาะท่านที่เป็นเช่นนี้ประเด็นที่สำคัญที่ก่อให้เกิดพระญาณและญาณ น, นั้นอำนวยประโยชน์ให้ยอย่างแท้จริง <c oughs> ก็คือวิชา <c oughs> คือวิชาข้อสุดท้าย <c oughs> ได้แก่อาสวคญาณคือประญาณที่ทำอาสวกกิเลสให้หมดไปจากจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์โดยบทพุทธระพุทธคุณข้อทิวอาอรหังที่กล่าวแล้วข้อนี้ถ้าหากว่าจิตใจไม่บริสุทธิ์ญาณเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดพระยาน จ, จะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านจะตุทชฌานไปก่อนคือพวกนิวรธรรมต้องสงบระงับเสียก่อนยานเหล่านี้จึงจะบงังเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเท่ากับของพระพุทธเจ้าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพระทรรมกบคื้นจิตของคนยังมีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงที่จัดอยู่ นอกจากพยานจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วสมมุติว่าเกิดขึ้นคนเราอยากฟังอยู่แล้วและเกิดได้ขูทิพย์เลยหาเรื่องฟังเสียงวุ่นวายไปหมดออยากจะฟังความลับของใครที่ไหนก็ใช้ที่ประจักษุไปที่ประโสนไปอยากจะดูใครที่ไหนดูอะไรก็ใช้ที่ประโสนไปไอ้ที่ประจักษ์สุไปเป็นต้นเพราะคุณสมบัติเหล่านี้ต้องสัมพันธ์กับพื้นฐานทางจิตของคน ถ้าพื้นฐานทางจิตไม่ถึงแล้วมีไม่ได้ถ้ามีแล้วก็วุ่นวายกันใหญ่แม้แต่การระลึกชาติได้กระมึงกันจะเ็นว่าระลึกชาติได้นั้นเป็นชั้นของโลกิยะอภิญญาก็ได้คือความรู้อันยิ่งระดับโลกก็ได้แต่หมายความว่าจะต้องเกิดผุดขึ้นหลังจากกิเลสสงบไปแล้วถ้าหากว่ากิเลสยังไม่สงบญาณเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ สมมติว่าเกิดขึ้นได้ก็มีปัญหาอีกมากมายเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของสังสารวัตนั้นพระบุมีพระพาคเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าในโลกนี้แม้แต่นิดเดียวจะไม่เคยเลยที่สัตว์ไม่เคยตายในโลกแล้วคนที่เกิดอยู่ในโลกนั้นไม่มีใครที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันส่วนจะเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อาจจะเกี่ยวข้องกันโดยมิตรโดยศัตรูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องกันมาซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าบุคคลลองกําหนดพินิษพิจารณาดูก็จะพบว่าในเรื่องนี้มีความแปลกอยู่ประการหนึ่งที่บุคคลสัมผัสได้ทุกวันเลอันเป็นผลโดยตรงมาจากสังสารวัตรคือเรื่องของปุเพส น, นิวาส ได้แก่การที่คนเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนเ็มาอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนนั้นอาจจะอยู่ร่วมเป็นมิตรอยู่ร่วมเป็นศัตรูหรือเกี่ยวข้องกันฐานะอะไรก็ตามทำให้จิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากเราพบกับใครก็ตามมีความรู้สึกออกเป็นสามอย่างคือเฉยๆไม่ชอบรู้สึกคุ้นเคยสนิทสนมรักใคร่ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปร่างหน้าตาและฐานะแต่ประกรนันใดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากคนที่เรารู้จักคราแรกจะมีแตกต่างกันอยน่างนี้ในแง่ของสังสารวัฏถือว่าการที่คนเราเห็นแล้วเกิดไม่ชอบกันนั้นโดยไม่ได้เคยพูดอะไรกันเพราะปุเพสันนิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนในฐานะของศัตรู ความโกรธความไม่พอใจนั้นได้เก็บตะกรันอยู่ภายในจิตพราะมีสิ่งร้าวคือคนนั้นมากระทบความโกรธนั้นก็เกิดขึ้นเอไส่วนที่คนเฉยๆนั้นแสดงว่าเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ห่างไกลหรือไม่เคยเกี่ยวข้องกันคล้ายๆกับคนที่เราพบเห็นกันอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกันก็ไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรส่วนที่เกิดความรักความพอใจ เพราะอาศัยการเกี่ยวข้องผูกพันกันมาในชาติปางกอดในฐานะเป็นมิตรเป็นสหายเป็นสามีพันยาเป็นเพื่อนเป็นฝูง ก, กันเป็นต้นทั้งๆที่บางครั้งรูปร่างหน้าตาของคนนั้นก็ไม่ได้พิเศษอะไรฐานะก็ไม่ไ ด, ดีอะไรแต่เราเกิดคุ้นเคยสนิทสนมเมตตาเอ็นดูรักใคร่ตามทุ่มกุลแก่ฐานะของเขานี่คือเรื่องของสังสารวัตรที่บุคคลได้ผ่านพ้นมา ได้เกี่ยวข้องมากันมาเป็นนั้นมากแต่เมื่อตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วเป็นการยุติความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงนั้นเมื่อเกิดมาใหม่ก็ถือว่าเป็นชาติใหม่พพใหม่แต่ความผูกพันทางใจยังมีอยู่ถ้าหากว่าบุคคลพื้นจิตยังมีกิเลสมีความโลภโกรธหลงยังรุนแรงอยู่แต่เกิดระลึกชาติได้ขึ้นมา เป็นลูกนี้ไปยืมเงินของเขาก็อาจจะไม่คืนบอกว่าชาติก่อนเราเป็นแม่เป็นลูกกันชาตินี้อย่าไปเอาเงินแม่เลยนั่นก็จบสิ้นกันแต่พื้นจิตที่มีความสะอาดมีความประนีตเช่นนั้นจะไม่ใช้พระยานเหล่านี้ยานเหล่านี้ไปในลักษณะเลวไหลดังนั้นยานต่างๆจึงเกิดผุดขึ้นกลังจากกิเลสที่มีความส ง, งบแล้ว พระยานคืออาสวัคยานนั้นเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระยานเหล่านั้นมั่นคงขึ้นซึ่งก็หมายความว่าพวกยานก่อนๆเจดข้อหรือวิชาทั้งเจข้อนั้นเกิดก่อนอาสวะสิน้นแต่ว่าก่อนที่เกิดนั้นกิเลสทั้งปวงมีความสงบระงรับจนไม่มีพฤติกรรมออกมาทางจิตใจแต่ประการใด ยานเหล่านี้ก็เกิดผุดขึ้นมาโดยลำดับและเมื่อถึงจุดสุดท้ายคืออาสวะขยานอาสวะกิเลสหมดใจไปจากพระทัยของพระองค์พระยานเหล่านั้นก็เป็นพระยานเป็นวิชาเป็นความรู้ที่มั่นคงในจิตสันดานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงผิดแปลกไปแต่ประการใดไม่ว่าในการใดๆก็ตาม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงหลังจากตัดสรุ้ใหม่ๆคือธรรมจักรกับพวัตรนสุดข้อความลงการสมการกับที่แสดงเมื่อวันคืนจะประนิพาน์ของพระผุ้มีพระภาคเก่าเพราะความรู้ของพระองค์นั้นเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นวิชาที่แท้จริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ผิดกับวิชาการที่ศึกษาที่เราเรียนที่สดแสดงกันอยู่ในปัจจุบันวิชาบางอย่างยืนยันกันได้ในหลักการและวิธีการเพียงปีสองปีเท่านั้นเองในที่สุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค้นคว้าทฤษฎีต่างๆขึ้นมาใหม่เรื่องเหล่านั้นก็เลิกล้มกันไปแต่วิชาที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าไม่ได้เปลี่นเช่นนั้นเป็นวิชาที่มั่นคงถาวรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แน่นอนในชั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นวิชาเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นพวกไพระศาสดาคือนักบวชนอกศาสนาก็มีระดับถึงห้าอย่างและนักพระอริยเจ้าเหล่าอื่นท่านก็มีไปแต่คุณสมบัติเฉพาะแต่ละข้อนั้นของพระพุทธเจ้าก็พิเศษออกไปเนื่องจากอำนาจของพุทธกาลกรรม ทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สั่งสมอบรมมามากกว่าท่านเหล่านั้นนี่คือวิชาที่ท่านแสดงว่าเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าทําให้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อจตกนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป